บทที่70คนปากโป้องอาจารย์ชิดกับนายสมชายช่วยท่านพระครูตอบจดหมายอยู่ถึงห้าทุ่มจากนั้นทั้งสองจึงได้รับอนุญาตให้ไปพักผ่อนหลับนอนส่วนท่านเจ้าของกุฏิทำงานคนเดียวต่อไปจนถึงตีหนึ่ง เหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงก่อนจำวัดสมภารวัยห้าสิบตั้งใจจะเขียนหนังสือคู่มือการสอบกรรมฐานท่านรู้สึกกระหายน้ำเป็นกำลังจึงเอื้อมมือไปหยิบกระติกน้ำร้อนเพื่อจะมาชงชาดื่มชาของท่านไม่ได้ทำจากใบชาหากทรมาจากต้นใต้ใบกับต้นมายราบสับละเอียดตากแห้ง นำไปคั่วจนออกสีเหลืองแล้วก็ชมกับน้ำร้อนใช้ดื่มต่างน้ำชาในสมชายเพิ่งจะเติมน้ำร้อนลงไปเมื่อตอนสีทุ่มเมื่อท่านเปิดฝาชั้นนอกของกระติกก็มีเสียงระเบิดดังฟุน้ำร้อนพุ่งออกมาลวกต้นขาท่านจนปวดแสบปวดร้อนทั้งสองขาบัดดนท่านก็นึกถึงนางดาลายเจ้าแมวเคราะห์ร้าย ที่บังเอิญผ่านมาตอนที่ท่านศาสตร์น้ำร้อนลงไปทางหน้าต่างเมื่อตอนดึกของวันวานมันส่งเสียงร้องแนวแล้วก็วิ่งหายไปทางศาลาการประเรียนท่านตรวจสอบก็รู้ว่าน้ำร้อนไปลวกขาทั้งสองของมันจนเกิดอาการปวดแสบปวดร้อนเพียงชั่วคืนเดียวกมนั้นมันก็กลับมาสนองท่านรวดเร็วจนไม่ทันได้ตั้งตัว นางดำลายเอ้ยขอบใจเองมากนะที่มาทวงแต่นั่นเนิน่นอย่างนี้เป็นอันว่าข้าใช้เองแล้วหมดหนี้หมดสินกันเสียทีชาติหน้าข้าจะได้ไม่ต้องเกิดในโลกมนุษย์อีกแล้วท่านรำพึงกับตัวเองอันที่จริงท่านมีคาถาดับพิษร้อนเพียงแต่สำรวมจิตว่าคาถาแล้วเป่าพรวดลงไปบริเวณที่เป็นอาการปวดแสบปวดร้อน ก็จะหายไปในทันทีแต่ท่านไม่ยอมทำเช่นนั้นเพราะจะเป็นการเอาเปรียบนางดำลายเกินไปมันทุกทรมานแค่ไหนนานเพียงไรท่านก็ควรจะใช้คืนในอัตราที่เท่าเทียมกันแม้จะได้แผ่เมตตาให้มันไปแล้วเมื่อตอนเช้าก็ตามจะาอาวาดวัดป่ามาม่วงหยิบชาใส่ถ้วยกระเบื้องแล้วเทน้ำร้อนลงไป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 ภิกษุวัยห้าสิบเอ็นกายลงอย่างมีสติครั้นศีรษะถึงหมอนจึงหลับตาลงช้าๆแล้วภาพใบหน้าคมคายของอาจารย์สาวผู้มีนามว่ากวิศยาก็มาลอยวนเวียนอยู่ที่ห่วงมโนนึกมันจะต้องมีอะไรผิดปกติสักอย่างท่านรำพึงกับตัวเองวันหนึ่งวันหนึ่งท่านรับแขกหลายสิบคน และก็เมตตาช่วยเหลือเข้าไปตามกําลังความสามารถช่วยแล้วก็แล้วไปไม่เคยเก็บปัญหาของใครมาคิดต่อเป็นการบ้านเรื่องที่จะนึกโปรดปรานผู้ใดผู้หนึ่งเป็นพิเศษก็ไม่เคยมีบางคนเห็นกันครั้งเดียวแล้วก็ไม่เคยเห็นกันอีกหรือบางคนแม้แต่จะเห็นอีกท่านก็จําไม่ได้เสีแล้วเพราะเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่ ง, นงคนเข้าวัดเป็นพันๆ แต่เหตุใดภาพของอาจารย์คนนั้นจึงมาปรากฏในใจท่านคงจะต้องมีความผูกพันเกี่ยวข้องกันมาอย่างแน่นอนอยากกระนั้นเลยเราควรจะให้เห็นหนอช่วยตรวจสอบดูแล้วเห็นหนอก็ทำหน้าที่อย่างคล่องแคล่วว่องไวด้วยการลํำลึกนึกย้อนกลับไปในอดีตถอยจากชาติปัจจุบันไปสามชาติเวลานั้น ท่านเกิดเป็นสภัยเขาต้องถูกแม่ผัวกลั่นแกล้งทุกวี่ทุกวันจนหาความสุขไม่ได้แล้วท่านก็มีลูกสาวถึงห้าคนแม่ผัวซึ่งอยากได้หลานผู้ชายก็หาเรื่องใส่ร้ายป้ายสีนางยุยงลูกชายว่าท่านเป็นหญิงกาลกินีจึงไม่สามารถมีลูกชายได้แรกแรกสามีท่านไม่เชื่อครั้นเมื่อถูกมารดายุยงหนักเข้า ก็ชักจะวันวายบังเอิญท่านตั้งท้องลูกคนที่ห้าแม่ผัวก็ตราหน้าว่าต้องเป็นลูกสาวอีกครั้นท่วนกําหนดทศมาศท่านคลอดลูกออกมาเป็นชายแม่ผัวดีใจสุดขีดถึงกับช็อกตายไปท่านจึงถือว่าลูกชายนําโชคมาให้ช่างโชคดีที่แม่ผัวตายเสียได้จากชาติลูกสะภ้ายก็ไปเกิดเป็นแม่ทัพสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย จากชาติแม่ทัพก็มาเกิดเป็นลูกชายของผัวเมียคู่หนึ่งซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ได้ตกน้ำตายเมื่ออายุยังไม่ทันครบสี่ขวบขณะนั้นมีน้องชายอายุสองขวบและมาในชาตินี้น้องชายคนนั้นก็มาเกิดเป็นพระบัวเ ย, ยวส่วนลูกคนที่ห้าในชาติที่ท่านเป็นสไพยเขานั้นมาเกิดเป็นอาจารย์กวิศยา เห็นการเวียนว่ายวกวนอยู่ในวัดตัดสงสารแล้วท่านก็นึกท้อแท้และเบื่อหน่ายไม่ปรารถนาจะเกิดอีกแม้แต่ชาติเดียวเมื่อภาพยนต์แห่งพบชาติฉายจบลงจะอาวาสวัดตามาม่วงจึงได้คำตอบว่าเหตุใดภาพของอาจารย์สาวจึงลอยวนเวียนอยู่ในห้วงมโนนึกสมภารวัยห้าสิบรำพึงกับตัวเองว่าท่อเอ้ย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 ชั้นเช้าเสร็จท่านพักครูก็ลงรับแขกนายสผพาลูกชายมานั่งรอคิวแต่เช้าเห็นหน้าเด็กหนุ่มแล้วท่านเจ้าของกุฏิก็ให้รู้ทันทีว่าเด็กคนนี้จะไปได้ดิบได้ดีในภายภาคหน้าแต่เกเรขณะนี้ก็เพื่อจะเปิดโอกาสให้ท่านได้ใช้นี่ข้าก๋วยเตี๋ยนั่นเอง ลูกชายท่าทางดีนี่นาะไม่เกเรรอกท่านพูดให้กำลังใจทั้งพ่อและลูกไม่เกยยังไงครับหลวงพ่อก็มันไม่ยอมเรียนหนังสือคนเป็นพ่อแย้งใจชื้นขึ้นมานิดหนึง่งเมื่อได้ยินว่าลูกชายท่าทางดีต่อไปก็เรียนเชื่อสิมาบวชวัดนี้แล้วออกไปได้ดีทุกคนอาตมาดูหน้าเขาแล้ว ไม่ใช่คนเกเรเกเสอะไรถ้าเกจริงป่านี้ก็ติดยาเสพติดเรียบร้อยไปแล้วจริงไหมไอ้หนูท่านถามคนอายุสิปดก็ไม่แน่หรอกครับหลวงปูตอนนี้ยังไม่ติดต่อไปอาจจะติดก็ได้คนอายุสิปดว่าด้วยเจตนาจะแกล้งคนเป็นพ่ อ, อย่านาไอ้หนูนาเองคืนทําอย่างนั้นก็เท่ากับตกนรกทั้งเป็นเจ้นา แล้วใครๆก็ช่วยเองไม่ได้เจือลุงปูเฮอะตกลงหลวงพ่อจะให้มันบวชเมื่อไรครับในสายถามใจแป้วเมื่อได้ฟังคำของคนเป็นลูกอีกสามวันระหว่างนี้จะให้พระมหาบุญช่วยสอนช่วยฝึกไปก่อนไม่ต้องห่วงอัตมาจะจัดการให้เรียบร้อยแล้วพระไตรละครับจะให้ผมซื้อมา หรือว่าจะเอาเงินให้หลวงพ่อไปซื้อไม่ต้องทั้งสองอย่างอาตมาให้สมชายไปซื้อมาให้แล้วโยมไม่ต้องไปทำอะไรทั้งสิ้นเอาไว้เป็นถุระของอาตมาเองทำไม ห, หลวงพ่อถึงได้เมตตาผมกับลูกมากมายถึงปานนี้ล่ะครับนึกไม่ถึงจริงๆว่าในประเทศไทยยังมีคนดีๆเช่นท่านหลงเหลืออยู่ขอให้หลวงพ่อจงมีอายุยืนยาวนะครับ ในใสให้ศีลให้ผ่อนอาตมาก็ตั้งใจว่าจะอยู่ไปจนกว่าจะตายนั่นแหละโยมท่านพระครูตอบยิ้มยิ้มแล้วก็ถามเขาว่าอยากรู้ไหมว่าทำไมอาตมาถึงต้องดีกับโยมเป็นพิเศษอยากครับทำไมล่ะครับกระเถิบเข้ามาใกล้ๆอาตมาไม่อยากให้คนอื่นได้ยินมันเป็นความลับบุรุษวัยห0สิบจึงครานเข้าไป จนชิดอาสนะท่านเจ้าของกุฏิก้มลงมากระซิบข้างหูเขาว่ารู้แล้วก็อย่าเที่ยวไปบอกใครนะอัตมาต้องการใช้หนี้โยมนี่ข่าก๋วยเตี๋ยวอัตมาขโมยเงินของโยมซื้อก๋วยเตี๋ยวโยมกินทุกวันแล้วก็จะได้ช่วยอบรมลูกชายให้เป็นการใช้หนี้ตกลงนะห้ามบอกใครนะครับผมรับรองว่าจะไม่บอกใคร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 ยังเลยครับหลวงปู่พ่อแกเร่งซะจนผมกินไม่ทันไอ้หนูอายุสิบแปดตอบแล้วหิวหรือเปล่าล่ะหิวสิครับหลวงปู่หิวจนไสเกี่ยวแล้วลูกชายในสายว่างั้นเดี๋ยวจะพาไปกินที่โรงครัวสมชายประเดี๋ยวเธอพาไอ้หนูไปกินข้าวและเอาไปส่งให้พระมหาบุญบอกช่วยจัดการให้หน่อย อีกสามวันเขาจะบวชเนนสิทวัดจึงจัดการตามที่ท่านสั่งเขาเดินนำเด็กหนุ่มไปยังโรงครัวรอจนฝ่ายนั่นรับประทานอาหารอิ่ม้ํำสำราญแล้วจึงพามาหาพระมหาบุญสนทนาปลาใสาและแก้ไขปัญหายายิโยมจนถึงเวลาสิบนาฬิกาท่านเจ้าของกุฏิจึงบอกพวกเขาว่าอาตมาต้องขึ้นศาลา ก, ก่อนนะ ได้เวลาแล้วใครไม่รีบกลับกอดเชิญไปฟังพระสวดธรรมจักที่ศาลานะวันนี้คุณหญิงเข้ามาเลี้ยงเพลงอัตมาเลยนิมนพระพระสงฆ์สวดธรรมจักรเพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณหญิงอัตมาไปละนะใครจะฟังก็ดตามมาถ้าลุกจากอาสนะจัดเครื่องนุ่งห่มให้เรียบร้อยแล้วก็เดินไปยังศาลา ญาติโยมหลายคนเดินตามท่านไปบางคนก็กลับบ้านเพราะเสร็จธุระแล้วคุณหญิงและคณะมาถึงก่อนเวลาพระสวดเล็กน้อยคณะผู้ติด ต, ตามไม่มีมากเท่าครั้งที่แล้วคงเป็นเพราะระัทวนตรีไม่ได้มาด้วยนั่นเองเจริญพรคุณหญิงสบายดีหรือท่านทักทายสบายดีค่ะคุณหญิงตอบ ท่านรัฐมนตรีไม่มาด้วยหรือท่านไปราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอ้าวยังไม่กลับอีกรึไปนานจังท่า น, นึกไปถึงสาวน้อยหน้าอ่อนคนที่รัฐมนตรีเอามาซ่อนไว้ในรถมีม่านปิดมิดชิดหากท่านก็ยังอุตส่าห์เห็นหากถามเกี่ยวกับรัฐมนตรีคุณหญิงอาจจะรู้ระแคะระคายท่านจึงเปลี่ยนเรื่องถาม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 ร้องกันแล้วก็แยกย้ายกันไปปฏิบัติกรรมฐานอย่างกุติของตนแต่ท่านพระครูยังไม่ลุกไปไหนขอเชิญญาติโยมรับประทานอาหารกันให้อิ่มน้ำสำราญเส่นก่อนเรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลังท่านเช้อเชิญบรรดาผู้มาร่วมพิธีแม่ชีเจียนรับประทานอาหารเสร็จแล้วกอกคลานเขามานั่งตรงหน้าท่านพระครูกราบสามครั้งแล้วรายงานว่า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 ฉันก็ให้เขาอดทนเขาก็แข็งใจทนแล้วก็ไม่อารวาสเหมือนก่อนพอปวดหนักๆเข้าเขาก็เลยร้องไห้เสร็จแล้วแผลมันก็แตกจะหลงพ่อทั้งน้องทั้งนอนไหลออกมาเละๆจากปากแผลนอนตัวเท่านิ้ก้อยฉันก็เอากระโถนมารองโอ้โหเต็มกระโถนเลยกลิ่นก็เหม็นเหม็นฉันก็กำหนดกลิ่นเนาะกลิ่นเนาะ พอน้องหยุดไหลฉันก่รินยาให้ดื่มเขาก็ดื่มแล้วก็หลับไปเลยเช้ามาก็หายเป็นปกติแผลก็หายแต่เขายังเพลียลุกไม่ขึ้นเขาหมดกรรมงแล้วเดี๋ยวช่วยไปบอกว่าอัตมาขออนุโมทนาด้วยอีกห้าหกวันก็จะให้กลับไปอยู่บ้านได้แต่ถ้าเขายังอยากจะอยู่ต่อกอดตามใจเขาจะแล้วฉันจะบอกเขาให้ เสร็จธุระแล้วแม่ชีก็กราบสามครั้งแล้วครานออกมาคุณหญิงครานเข้าไปแทนคุณหญิงอิ่มเร็วจังกับข้าวไม่อร่อยหรือไงจะอาวาดวัดป่ามาม่วงถามอร่อยมากค่ะหลวงพ่อ แต่ที่ไดชันปลื้ม อ, อกปลื้มใจซือจนทานไม่ลงไม่ใช่เพราะรัฐมนตรีไม่มาก็เลยทานไม่ลงนะท่านสัพยอกก็คงมีส่วนค่ะคุณหญิงยอมรับและพูดต่ออีกว่าทุกทีเคยไปไหนมาไหนด้วยกันเพิ่งจากครั้งนี้ล่ะค่ะที่ท่านติดราชการมาไม่ได้ฟังคนเป็นคุณหญิงพูดแล้ว ท่านพระครูรู้สึกสงสารเพราะท่านรู้ว่าคุณหญิงไม่รู้คุณหญิงไม่รู้หรอกว่าราจการของผู้เป็นสามีนั้นคืออะไรในขุนทองก็ครานเข้ามานั่งใกล้ๆคุณหญิงอยากจะดูเครื่องเพชรให้เต็มตาเพราะเห็นเม็ดเปลงๆทั้งนั้นขอประทานโทษคุณหญิงมีบุตรกี่คนท่านสมพานเปลี่ยนเรื่องถาม เมื่อเห็นคนปากป้องเข้ามาร่วมวงสองค่ะหญิงหนึ่งชายหนึ่งกำลังเรียนอยู่ที่เมืองนอกทั้งคู่อีกหน่อยก็คงจะมีตัวเล็กๆมาให้อุ้มอีกนะฮะคนปากป้องว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วฉันแก่เกินไปมีไม่ได้แล้วคนเป็นคุณหญิงรีบปฏิเสธคุณหญิงมีไม่ได้แต่ท่านรัฐมนตรี ยังมีได้นี่ฮะฮะเธอว่าอะไรนะคุณหญิงจุกใจกับคำพูดของชายหนุ่มขุนทองท่านพระโคโรูเรียกชื่อหลานชายในขุนทองมองหน้าหลงลุ ง, ลงก็เห็นท่านขยิบหูขยิบตาแต่เขาไม่เข้าใจจึงพร่ำต่อจริงๆนะฮะคุณหญิงหนูเห็นกระตาเลยขุนทอง คราวนี้ท่านพระครูถอดแว่นออกเพราะคิดว่าหลานชายคงไม่เห็นตอนท่านขยิบตาอ้าวลงลลงหลับตาปิ๊บปิ๊บเป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นลมเดี๋ยวนะหนูจะไปชงยาหอมมาให้พูดจบก็กุลีกุจอลุกออกไปหมายความว่ายังไงคะหลวงพ่อคุณหญิงหันมาเล่นงานท่านสมบานแทน ไม่มีอะไรหรอกคุณหญิงเจ้าหมอนี่มันทาดไม่ค่อยจะดีพูดจาเลอะเทอะเปลอะเปืื่นไปหน่อยไม่มีอะไรหรอกแต่ดิฉันว่ามันจะต้องมีอะไรหลวงพ่ออย่าปิดบังดิฉันเลยค่ะคนเป็นคุณหญิงพูดเสียงดังกว่าปกติจนทำให้คนที่กำลังรับประทานอาหารกันอยู่หันมามองเบาๆหน่อยคุณหญิงอัตมาขอร้องเธอนะ วันนี้เป็นวันมงคลของคุณหญิงจึงควรจะต้องทำจิตใจให้ผ่องใสเบิกบานอะไรที่ไม่ดีไม่งามไม่ต้องเก็บเอามาคิดนะคุณหญิงนะท่านพระครูพูดเตือนสติคนที่เป็นคุณหญิงคิดว่าเสร็จงานนี้แล้วจะต้องพิจารณาโทษพ่อหลานชายตัวดีสักหน่อยโทษฐานที่นำความลับของผู้อื่นมาเปิดเผยดิฉันขอโทษค่ะเอาเถอะ เมื่อหลวงพ่อไม่ให้คิดดิฉันก็จะพยายามไม่คิดปากพูดอย่างนี้หากใจนั้นคิดว่าเสร็จงานนี้แล้วจะต้องสัมภาษณ์พ่อหนุ่มท่าทางกระตุ้งกระติ้งคนนั้นให้รู้ความจริงให้จงได้นายขุนทองประคองถาดใบเล็กมีถ้วยกระเบื้องใส่ ย, ยาลมซึ่งละลายเรียบร้อยแล้วมาประเคนให้ท่านพระครูปากก็ว่า หลลุงฉันยาลมหน่อยจะได้รู้สึกดีขึ้นสมภารวัยห้าสิทจึงจำเป็นต้องรับเอาทั่วยาขึ้นมาดื่มเพื่อไม่ให้คนที่เป็นคุณหญิงสงสยัยท่านพูดเบาๆให้หลานชายได้ยินแต่ผู้เดียวว่าความรู้สึกของข้าคงจะดีขึ้นถ้าเองไปให้พ้นหูพ้นตาข้าไปเลยไปเฝ้ากุติแทนสมชาย แล้วให้เข้ามาแทนเองที่นี่ล้านชายทำตามคำสั่งของผู้ที่เป็นหลวงลุงเขาหายไปสักพักนายสมชายก็ขึ้นมาบนศาลาชายหนุ่มยกมือไหว้คุณหญิงแล้วไม่ได้พูดว่ากะไรใจนั้นอยากถามว่าทำไมท่านรัฐนตรีจึงไม่มาด้วยแต่ก็เห็นว่าไม่ใช่เรื่องอะไรของตนท่านจะมาหรือไม่มา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 ให้ในายขุนทองมาหาคุณหญิงมีอะไรจะใช้หนูหรือฮะเขาถามคุณหญิงยังไม่ตอบเธอเปิดกระเป๋าถือหยิบธนาบัตรสีแดงออกมาจากกระเป๋าสตางค์สามใบส่งให้ชายหนมเอาไว้เสื้ออะไรที่เธออยากจะซื้อคุณหญิงว่าหากเป็นนายสมชายจะต้องปฏิเสธแต่นายขุนทองไม่ใช่ในายสมชายชายนมรีบยกมือไหว้ ร้องกล่าวคำขอบคุณในใจนั้นกระยิมยิ้มย่องคราวนี้อีกขุนทองมีเงินตัดผมกระซื้อรองเท้าส้นสูงแล้วให้สินบนเรียบร้อยแล้วคุณหญิงจึงเริ่มเรื่องนขุนทองกลัวใครจะมาได้ยินจึงชวนไปคุยกันที่สาราท่าน้ำแล้วเขาก็เล่าให้คุณหญิงฟังทุกอย่างทุกประการ เหมือนจะให้คุ้มกับเงินค่าจ้างสามร้อยบาทที่คุณหญิงให้คนเล่าเล่าจบคนฟังก็เข่าอ่อนมือไม้อ่อนรู้สึกเหมือนใจจะขาดเส้ยให้ได้เธอร้องไห้ขำครวญร้องกลดาคนเป็นสามีไอ้แก่นะ้ไอ้แก่ทรยศกูจนได้ไอ้งูเหา่าเลี้ยงไม่เชื่องกูอุตสาช่วยมันวิ่งเต้นเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่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 ผู้หญิงที่ไหนเขาจะโง่เอาคนจวนเข้าโลงมาทำผัวอออนี่มึงว่ากูหรือมึงว่ากูโง่ละถ้าแหวเข้าใสายในคุณทองตกใจจนอ้าปากค้างนึกสมน้ำหน้าตัวเองที่อยู่ดีไม่ว่าดีคนเป็นคุณหญิงยังคงรำพันต่อไปว่ากว่ามันจะเลิกกันกูก็หมดตัวพอดี นี่เงินทองได้มาคงเอาไปบำรุงบำเรออีนั่นหมดคอยดูนะกูจะต้องสืบให้รู้จนได้จะทลกหนังมันเอามาทาเกลือชชละะค่มคืนนั้นเมื่ออาคัรตุ ก, กะกลับไปหมดแล้วท่านพระครูจึงเรียกตัวนายขุนทองมาซักฟอกเองนี่มันแย่มากนะเจ้าขุนทองมีอย่างที่ไหนไปพูดให้ผัวเมียเขาแตกแยกกันระวังจะตกนรก คราวหน้าคราวหลังอย่าทำอย่างนี้อีกได้ยินไหมข้าอุตสาห์ถอดแว่นขยิบตาให้เองเองก็ยังไม่รู้เรื่องยังดีนะที่ข้าไหวทันจึงใช้ให้เองมาเฝ้ากุฏิแทนเจ้าสมชายไม่งั้นความลับแตกแน่ๆในขุนทองร้องไห้โฮๆโออกมาจนท่านพระครูตกใจอะไรว่าแค่นี้ต้องร้องไห้ เกิดจะมีคุณธรรมสูงขึ้นมาเดี๋ยวนี้หรือไงท่านประชดมันไม่แค่นี้สิหาหลงลงุงมันไม่แค่นี้คนพูดร้องไห้จะอึกะอื่นแล้วมันแค่ไหนล่ะมันหมดเปลือกเลยนะฮะหนูแอบเล่าให้คุณหญิงฟังหมดเปลือกเลยเขาจ้างหนูสามร้อยพอเล่าจบเขาก็เอาเงินคืน